นมีพระจากประเทศอินเดียมาเรียนมหาจุฬาอยู่ที่ประเทศไทยบอกว่าชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์ส่งข่าวมาว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่พระสอ ง, องค์นี้องค์หนึ่งเรียนอยู่ที่พะเยาองค์หนึ่งเรียนอยู่ที่คอนแกนจำบรรษาพะเยาเมาื่อพรรษาที่แล้วองค์หนึ่งจำบรรษาที่คอนแกนก็เลยมาดู มาดูแล้วชอบมันเงียบมันสงบดีแล้วก็ไปกลับไปเวลาพระมานี่ไม่จาเป็นต้องรีบร้อนไปส่งนะท่านมาเองอย่างนี้ค้างคืนเลยไม่ยังไม่มีรถไปไม่ใช่ว่าจะต้องไปบริการหมดไม่ใช่ท่านปกติถ้าพระกรรมฐานมาเองต้องไปเองถ้ามาแค่สองสามวันเออถ้ามาเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยดูแลกันไป ยิ่งมาเยี่ยมมาเยี่ยมเนี่ยโอ้ยมาอย่างไงไปอย่างนั้นแต่จะมาพักเป็นอาทิตย์ขึ้นไปก็เออดูแลไปอุปถัมภ์มาชมวัดชมบาเฉยๆ้าอยากจะให้ไปช่วยเหลือเอาค้างคืนแล้วก่อนเดี๋ยวนี้ศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นของเล่นไปลวคนปฏิบัติเนี่ยมันไม่จริงจังเมื่อวานที่ไป รับมีมนไปขอศีลเราบอกว่าเอาศีลนี่มันต้องปฏิบัติเอาเองให้กันไม่ได้หรอกไอ้คนที่เป็นพิธีกรก็บอกว่าอาทำเนียมเขาทำยังไงก็ขอทำอย่างนั้นเถอะครับไม่ได้เราความจริงมันมันขอกันแล้วให้กันได้ไหมเอาความจริงมาพูดกันเราก็ได้เล่าให้ฟังมาสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จผ่านป่าแห่งหนึ่ง มองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆในอดีตอยินในนั้นนี่พระเจ้าระลึกได้ก็เข้าไปประทับที่นั้นแล้วก็เล่าให้ภิกษุฟังว่าในอดีตมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาประทับอยู่ที่นั้นแล้วก็มีอุบาสกคนหนึ่งมีบริวารห้าร้อเป็นคนอุปทา อ, นนอุบาสกนั้นก็คิดขึ้นมาว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ว่าไมไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรมีแต่อุบากอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัติตัวให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยก็ไปบอกบริวารบอเออจากนี้ไปเนี่ยข้า พ, พเจ้านี่จะรักษาศีลห้านะ นวิธีรักษาสีนหน้านั้นเนี่ยม่ใจะไปขอมอมแมมมอมแมมปาณาติปาตา เ, เวลามันนี่ไม่รู้ทำรักษาหรือไม่รักษาเมือนกับหลอกลวงตัวเองเหมือนกับโกหกพระพุทธเจ้าโกหกสัจธรรมไปเลยนี่พิธีกรรมมันทําให้คนหลอกแหละไม่จริงจังต่อมาบริวารก็ปรึกษากันดูชี้หัวหน้าเราอ่ะ ดีกว่าเราทุกอย่างเป็นถึงหัวหน้าของเราเขายังรักษาสีหน้าเลยเอางั้นพวกเราก็รักษาสีหน้าพากันไปบอกหัวหน้าพวกผมจะขอรักษาสีหน้าเหมือนกันครับน่เนี่ยไม่ได้ไปขอพระต่อมาอีกหัวหน้าก็คิดขึ้นมาไอมเราเป็นหัวหน้าเขาลูกน้องก็สีห้าเราก็สีหน้านะเรารักษาสีแปดดีกว่า บอกลูกน้องเนี่ยเข้าพระเจ้าจะรักษาสิ่งแปดนะาานนน เ, เรียกว่าสมาทานอย่างนี้เราเรียกว่าสมาทานเห็นประโยชน์แล้วรับออกมาปฏิบัติเขาเรียกว่าสมาทานต่อมาไม่นานลูกน้องเข้าอีกแล้วประชุมกันอีกแล้วโอ้เขาวิ่งดึงหัวหน้ารักษาสิ่งแปดพวกเราก็ต้องรักษาสิ่งแปดด้วยกันสิไปบอกหัวหน้าเขาจะรักษาสิ่งแปดต่อมาอีกหัวหน้าคิดอีกแล้วเราเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องสิ่งแปดเท่ากันไม่ได้ ก็คิดหาล่ะเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นเราจะรับประทานอาหารมื้อเดียวไปบอกลูกน้องข้าวพเจ้าจะรับประทานอาหารมื้อเดียวเริ่มเข็มงวดกวดคันละอาหารมื้อเดียวไม่นานเอาเอาบริวารเองไปแล้วโอเขาเป็นถึงหัวห น, น้าน่ะมีทุกอย่างเหนือเราทุกอย่างดูซี่รับประทานอาหารมื้อเดียวเอาไถ่อย่างนั้นพวกเราปรรับประทานอาหารมื้อเดียวเหมือนกันรับประทานอาหารมื้อเดียว ไม่ได้ไปขอใครเรื่องแบบนี้ยทีนี้ต่อมาอีกหัวหน้าก็คิดทีนี่เอ๊ะเราเป็นหัวหน้าอะไรอะไรก็เท่ากันกับลูกน้องหมดทุกอย่างแล้วทำยังไงดีเราถึงจะเหนือกว่าเขานะคิดขึ้นมาหาข้อปฏิบัติตัดสินใจบวช ด, ดีกว่านะคือคิดไม่ออกแล้วมันก็สูงสุดแค่นี้ละไปหาพระพุทธเจ้าขอบวชเลย เยี่ยบบวชให้ไม่นานบรรลุเป็นพราห์นเลยลูกน้องก็ไปเยี่ยมเยียนหัวหน้าเอไปแล้วอู้หัวหน้าพูดธรรมะมีจิตใจสงบเยือกเยน็นไม่มีทุกข์ในจิตในใจปรึกษากาันถ้าอย่างนั้นพวกเราอะบวช ด, ดีกว่าพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งห้าร้อยคนขอบวชพระเจ้าก็ บ, บวชให้แล้วก็ บ, บรรลุเป็นพราห์นหมดเลย นี่แหละป่าแห่งนั้นนะ่ะมันมีอนุสอนสิ่งดีๆเกิดขึ้นเวลาสิ่งไหนเป็นประโยชน์พระพุทธีจวก็เอามาเล่าให้สาวกฟังพอเล่าจบเราก็บอกแล้วพวกเราเนี่ยยังจะให้สินอยู่ไหมจะเอาไหมให้ก็ได้นะขอมาก็จะให้ละจะเอาหรือว่าจะสมาทานเองขอสมาทานเองก็ว่าเข้าใจแล้วทีนี้ ให้สมาทานลาภของบอกว่าถ้าข้อไหนเรารักษาไม่ได้อย่าไปรับเอานะหรือรับเอาก็ต้องนึกต้องรู้ว่าเอาวันเดียวสองวันสามวันอย่าไปหลอกลวงตัวเองหลอกลวงสัจธรรมวันนี้คือมอนกับไปสอนข้างหลังสนุกสนานเราบอกเอ๊ะศาสนาพุทธนี่เป็นของเล่นหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติธรรมก็มาเล่นสนุกสนานกลายเป็นของเล่นเลย บางทีมาแล้วแบบนี่เงาไม่จริงไม่จังไม่เอาอะไรเลยเพราะนขอให้ได้มาขอให้ได้อยู่ปฏิบัติขอให้ได้ชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติไอสิ่งไม่ดีก็ไม่รู้จักชําระออกไปไอของไม่ดีโสกโปกอยู่ในจิตในใจก็ไม่รู้จักเอาออกห่วงไว้แล้วก็เอานั้นละ่ะมาอวดกันมาโชว์กัน แสดงออกใส่กันมาข่มกันมาตำหนิกันถ้าตำหนิคนอื่นได้เก่งบ้าคอยจ้องดูว่าใครมีข้อบอกพร่องอะไรฉันจะได้ตำหนิเอาจะได้ข่มเอาฉันจะได้ดีขึ้นบ้าโก<ห>นี่ต้องมาแก้ตัวเองคอยด้วยของสกปรกตัวเองที่มันจะโผล่ขึ้นมา ดิบล้างมันออกเช็ดมันออกไปหรว่ตัดมันออกไปทิ้งมันออกไปในความไม่จริงไม่จังความหล่อแหลความอ่อนแอทั้งนั้นคนเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรเข ม, มันอ่อนแอนี่แหละแล้วดูศาสดาของเราสิเข้มแข็งหรือว่าอ่อนแอรจริงจังหรือว่าไม่จริงจัง วันที่วงตาสรู้เป็นยังไงปูยะคาลงไปพับ๊บนั่งลงไปอธิษฐานจิตเลยแม้เนื้อเลือดเจอเือแห้งเหลือแต่ห น, นังเอ็นหุ้มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกำลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้จากที่นั่งนี้สละตายเลยกว่าจะได้ธรรมะเอามาสอนสาวมุกนี่โอ้โห เล่นเนหัวหัวย่อย่อแยแ ย, แยนั่งก็ง่วงๆ่วงสปะปองงกงกงานก็ไม่รู้จะแก้ไขนี่มันบอกถึงความอ่อนแอในจิตใจความไม่จริงจังความเป็นอยู่ก็เล่นเล่นไปนั่งๆ่งนอนนอนไปเดินเดินไปหาอยู่หากินไปพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคแทนที่จะประมาณก็ไม่รู้จักสว้าปามเข้าไป วงกันนอนมันลงไปมันน่าทุเรศสาวกของพระพุทธเจา้าได้ประจ๊อประแจพูดคุยกันลวชอบนี่แหละมันถึงเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราเามันยังไม่พ้นไปจากทุกสักทีนึงเพราะมันไม่เห็นโทษเกิดตายเกิดตายไม่มีสาระอะไร ยังไม่เห็นโทษแถมยังชื่นชมตัวเองอีกฉันนี้ไม่ธรรมดาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหมือนตัวเองสำคัญถ้าใครเห็นโทษมันก็ดีอ่ะมันก็ได้หาทางออกเสียมันไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรการเวียนว่ายตายเกิดถ้าใครมองเห็นได้นี่เขาเพเจ้าก็ตัดไว้แล้ว ว่ามีบางคนนะเห็นภายในปรโลกเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดบางคนก็ยังไม่เห็นภายในปรโลกมันก็ยังพอใจเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็อยากให้ดีอยากให้ร่ำให้รวยอยากให้สวยสดงดงามอยากให้มีอำนาจวาสนาได้รับคายกย่องสัรเสริญมันยังพอใจเวียนว่ายตายเกิด ถ้าพูดว่าเออการไม่กลับมาเกิดดีนั่นแหละมันดีที่สุดแล้วไม่ต้องมาทุกข์มันก็ฟังไม่ออกมันก็ยังอยากเกิดดีๆอยากสวยอยากงามอยากลำ่ำอยากรวยอยากให้คนชื่นชมยินดียกย่องสรรเสริญนี่แหละมันพอใจเกิดทั้งนั้นแหะตามไม่ทันมันปูนแต่งขึ้นมามันสร้างขึ้นมามันเกิดในจิตเกิดในจิต เเราขึ้นมาปั๊บหมไหร่มันเกิดในชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งอยู่ในจิตมันไม่ใช่ว่าเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นล่างอุปาทานเป็นเหตุทำให้เกิดกรรมมาพบเกิดพบทำกรรมเพื่อจะไปเกิดในภพภูมิเหล่านั้นมีพบแล้วก็มีชาติอุปาติภพเกิดในจิตก่อนเกิดในจิตเป็นเราขึ้นในจิต ถ้าตายลงไปมันก็ได้ขันห้ามานั้นนั้นเกิดเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนที่แรกเกิดในจิตเกิดในจิตนี่มันมีตัวเราร่างกายก็รุ่มร้อนมันก็มีความเปลี่ยนแปล ง, งในตัวมันเองไนชาติอยู่ในจิตมันก็ปรุงแต่งกายได้ด้วยปรุงแต่งจิตนี่แหละปรุงแต่งรูปนาโกรธขึ้นมาทีนึงนั่นะสาบา ย, ยภูมิมันเข้ามาสิงแล้ว ตายไปก็ไปอาวาัยภุมิแล้วนี่มันเกิดแล้วเนะี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยขามพบขามชาติอย่างเดียวนะมันเกิดในจิตในขณะจิตก็ได้มันเกิดในขณะจิตเรียบร้อยถ้าตายลงไปมันก็เอานั่นแหละไปเกิดละไปเกิดขามพบขามชาติและเห็นชาวพุทธไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วก็สลดใจธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้โหมันช่างประเสริฐจริงๆเลยนะ ผลทุกได้จริงด้วยแต่ดูผู้ปฏิบัติมันหาความจริงจังไม่ได้เลยหล่อแหละอ่อนแอทําเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นของเล่นทําเหมือนคํำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นไม่มีความจริงจังอยู่ในจิตเลยมันเศร้าใจหาจริงจังจิตมันต้องเข้มแข็งแข็งแกร่ง อะไรเข้ามาต้องตัดได้สลัดออกไปได้ละได้วางได้ปล่อยได้ตัดได้ทิ้งได้นี่มันเข้มแข็งเพราะมันมีความจริงจังอยู่ในตัวมันเองไอ้ีเล็กๆน้อยๆกอะไรอาวอนแต่เ ว, เวลาพูดเนยงูนธรรมนี่สูงนะไม่ได้ธรรมดาเลยฉันไม่ธรรมดาแน่มากเด็ดเดียว จริงจังแล้วเวลาอะไรขึ้นมาทำไมมันมันตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้แล้วมันเด็ดเดี่ยวตรงไหนมันจริงจังตรงไหนมันสูงส่งตรงไหนนี่ก็ยังมองไม่ออกเลยนะแทนเวลามีอะไรขึ้นมาในจิตกับเที่ยวซัดโทษออกไปข้างนอกนู่นปัดไปให้คนอื่นหมดแทนที่มันจะมาแก้ตัวเองคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างแลวตัวเองอะ เป็นยังไงทำไมเที่ยวซอกแซกไปดูแต่คนอื่นถ้ามันจริงจังจิตมันต้องตั้งมันต้องเข้มแข็ง้ามันตั้งมันแล้วมันเอาจิตเนี่ยมองดูตัวเองปั๊บมันจะรู้สึกได้ตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรู้มองดูร่างกายก็กายกับจิตก็เป็นคนละส่วนงันถ้ามันตั้งมันมันก็เห็นแล้วสอนจิตเที่ได้ ว่าเห็นไหมมันไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือมันมันยังต้องสอนก็สอนได้แต่บางคนดูปั๊บมันเข้าใจแล้วก็แล้วไว้มองปั๊บมันเข้าใจเลยแต่ถ้าใครมันยังเอาไม่อยู่เอาจิตไม่อยู่ก็ต้องคุมจิตไว้ก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับความพอดีของแต่ละคนหรือบางวันมันดีมันตั้งมั่นขึ้นมากก็ได้บางวันมันไม่ไหวสภาพร่างกายของเรา คนไม่พร้อมก็เป็นได้ด้วยหรือว่าเราตามใจความอยากมากอาหารมันทับร่างกายห่วงซึมเลเมาอาหารปฏิวัติไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็ต้องดูที่เหตุมันถ้าเอาเป็นเรื่องสูตรวิสัยโอ้มันมันเพิ่งเกิดหรือมันมันเป็นของมันมันยังแก้ไขไม่ได้มารักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินรายมันมีหลักหลักสูตรของพระพุทธเจ้านี่ พยายามมีสติแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นราษีมันตั้งมั่นเกิดมองเห็นขันห้าได้หรือว่าตามดูกายได้กายานุปัสนาสติปทานมีสติตามดูกายกายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณากายในกายเนื้องเนื้ออาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชา โมนัสสังมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินายในโลกนี้เสียให้ได้นีสุดท้ายต้องมารักษาจิตไม่ให้ไปหลงยินดียิน้ายกับอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ตามดูกายอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ยินดีไม่ยินาลทั้งนั้นมันจะวูบวาบมันจะแน่นมันจะอึดอัดเหมือนใจจะขาดหลอนๆไม่ยินดีไม่ายหมด นี่หลักธรรมของเราเป็นอย่างนี้มันเอ๊ะมันอ่ะต้องรู้ไม่ยินดีไม่ยนิยนลายเนีย่ยมันมีทางทางสายกลางเวทนาขึ้นมาก็ตามดูอีกวิทนานุปษษัสสนาสติปัฏฐานวิ่สที่ตามดูเวทนาหรือข้อสูตรหนึ่งก็บอกคือว่าให้พิจารณาเวทนาในเวทนาหนึ่งเนื้อมีอันนี้มันมันขึ้นอยู่กับว่า เราเอาพระสูตรไหนมันพระสูตรหนึ่งมีอยู่ในพระสูตรอีกอันหนึ่งอยู่ในพระอภิธรรมเวทนาสุเวทนานุปัสีวิอารติอาตาปีสัมปัญโนสติมาวิยาโลเกวิชาโทมัสสพิจลานาเวทนาในเวทนาหนึ่งเมืองมีความเพียรมีสัมปัญญามีสติหรือมีสติสัมปัญญาก็ได้มีความเพียรมีสติสัมปัญญาทอมันเป็นภาษาบาลีเวลาแปลออกมาแล้วเนี่ย มันอาจจะสลับกันได้นิดหน่อยกาจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้หรือว่าละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ฉะนั้นก็ตามดูจิตตามดูธรรมหลักเดียวกันมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้นั่นก็คือรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายต้องปฏิบัติจนจิตตั้งมั่นแล้วเอาจิตนี้มองดูมองดูกายกับจิตอะไรโผมา ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะเลวร้ายขนาดไหนไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าอย่างนี้ก็ปฏิบัติได้เลยทีไหนก็ได้แต่งนี้จิตมันเร็วแค่เข้าไปในป่าในที่มืดมืดกลางคืนมันก็หลอกตัวเองละปรุงแต่งนั่น น, น, น, นี่ขึ้นมาแล้วไงลำพวกนั้นเราต้องสติเราต้องดีต้องทัน มันไม่ใช่เลา้ามันเพิ่งปรุงแต่งขึ้นมามันเพิ่งคิดขึ้นมามันนึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาก็อตอนที่เข้าไปในที่มืดๆเท่านั้นเองอยู่ธรรมดามันไม่มีมันไม่เกิดดูไปถ้ามันง่วงต้องขึงไว้กระตุ้นตัวเองตื่นไว้ตื่นแล้วก็ดูดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมหรือดูขันห้าก็ได้กายก็คือรู ป, ปรขันพรองประกอบด้วย ดินน้ำลมไฟนี่เขาจึงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันแค่แค่ธาตุเฉยเฉยจะไปหลงยึดร่างกายไม่ได้ถ้าแยกออกมาแล้วคือธาตุดินอันหนึ่งธาตุน้ำอันหนึ่งธาตุลมอันหนึ่งธาตุไฟอันหนึ่งถ้าจีนมันเข้มแข็งเจ็บมากก็ไม่กลัวคนร่างกายมันก็ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเจ็บมันก็ร่างกายเจ็บ นี่ยในเมื่อร่างกายมัใช่ของเราเวทนานที่อยู่ร่างกายมันจะเป็นของเราได้อย่างไรมันก็ปล่อยได้วางได้แต่ถ้าจิตมันอ่อนแอไม่มีกําลังมันไม่เห็นอะไรหรอกซึมนั่งก็ซึมซึมถ้าจิตเข็งแข็งเจ็บเลยเราขยับนิดเดียกวก็าหายแล้วลุกเบ้มก็าหายแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายมัใช่ของเราแล้วเจ็บมันจะเป็นของเราได้ย่งไรเนี่ยคืออยากให้จิตมันดูมันเห็น วเวทนากระจิตไม่ใช่เดียวกันไม่ใช่ของเราไม่ตัวเราฝึกจิตให้มันอดทนให้มันเข้มแข็งให้มันละเวทนาได้แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆมันก็ขยับเราได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ประโยชน์จากเวทนาแต่ก็ต้องรู้ว่าเราขยับพอไรอ้ออินทรียเรายังอ่อน ส, สติปัญญาเรายังอ่อนเรายังจิตเรายังกาลังไม่พอ เนี่ยมันก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าเราทำทำไมมีเหตุมีผลตัวจิตเนี่ยมันเป็นนามาทำเขามันนามาทำเห็นไหมว่าไม่มีตัวตนมันเป็นนามนามเนี่ยคือไม่มีตัวตนแต่ว่ามันอัศจรอย่างจิตเนี่ยมันคิดได้มันคิดได้เองด้วยนะมันรู้สึกได้รู้อารมณ์ได้ ยกตัวอย่างอย่างเช่นรับประทานอาหารปับ๊บลดในอาหารมากระทบลิ้นตั๊บเนี่ยตัวจิตนะที่ไปรู้อร่อยไม่อร่อยนี่จิตรู้ปับ๊บอร่อยเนี่ยอร่อยนี้มันเพิ่งเพิ่งเกิดตอนมันไปกระทบเราก็ว่าเราอร่อยแล้วกืนเข้าไปแล้วก็หายไปเงียบเลยก็ยังเป็นเราอร่อยอยู่เราอยากได้อีกจะเอาอีกดูสินี่เขาเรียกอุปทานมันไม่รู้ อร่อยนี่มันดับไปแล้วถ้าสติดีกรู้ทานได้ถ้า อ, อร่อยแล้วก็ดับปุ๊บไปเงียบๆมันก็ไม่ทำอะไรเราแต่ถ้าอร่อยตึบ๊บกูอร่อยเราอร่อ ย, ยวันหลังอยากจะเอาอีกและจะเอายเยอะด้วยแล้วมันอยู่ที่ไหนได้มายังไงบางทีนึกขึ้นมาใหม่อีกนึกถึงรสชาติอันเดิมนั่นแหละตึบ๊บขึ้นมาคราวนี้นึกเอามันกระทบจิตอีก ยาขึ้นมาอีกนี่ตัวอุปท า, านจริงๆแล้วมันกระทบแล้วมันก็ผ่านไปแล้วแต่มันไปยึดไว้เฉยๆตัวตัณหานี่ยแหละมันอยากให้เราอร่อยมันอยากให้เรามีความสุขอยากทำให้เรามีความสุขแล้วถ้าปัญญาล่ะปัญญามันก็เออเอาเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายอร่อยก็ได้ไม่อร่อยถ้ามันมีประโยชน์ก็ฝืนเอาได้ ไม่ใช่เอาแต่อร่อยอย่างเดียวถ้าอร่อยถ้าเอาก็เอาพอดีด้วยแล้วก็เน้นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมด้ว ย, ยที่สำคัญคือให้มีกำลังพอที่จะปฏิบัติธรรมได้พราะนั้นสติมันต้องดีต้องต่อเนื่องต่อเนื่องก็ต้องมีความสมรวมตลอดมีความเสมรวมมีความระวังมีความจริงจัง ทำให้จิตเข้มแข็งมันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งแลมันก็ตั้งมั่นได้ตั้งมั่นได้จิตก็ไม่ไหลไปกับอารมณ์มันก็แน่วแน่อยู่อะไรก็คือมก็รู้เห็นว่าเกิดแล้วก็ดับนี่อย่างนี้มันเพงจะเป็นวิปัสสนาได้ไฟน้ำมาทำก็เกิดดับรูปก็เกิดดับอย่างร่างกายมันเกิดดับตลอดเวลานอะมันถึงหิวไง ส่วนที่มันสึกหลอไปมันก็ต้องการเอาอาหารเอาทานไปซ่อมแซมตลอดเพราะมันเกิดตายอยู่ข้างในฝ่ายจิตใจนี่ยิ่งง่ายง่ยเลยตั้งสติดูได้เลยมันคิดขึ้นมาบับ๊บเดี๋ยวก็ดับละมันปรุงอะไรขึ้นมาบางทีเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่และอดทนดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็จะอ่อนกําลังลองอ่ อ, อนกําลังแล้วก็ดับไปได้เหมือนกัน คนที่เห็นภายในปลาโลกมันก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้ชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วมองเห็นมันก็เข้าใจใครจะหลงก็หลงไปเพราะไม่ตายไม่มีแล้วเกิดมาแล้วโอกาสจะพบคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยยาก เกิดในยุคสมัยที่มันไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานั่นแหละมันจะทํากรรมหนักๆกรรมไม่ดีเพราะมันไม่รู้อะไรเป็นบาปเป็นบุญอะไรเป็นกุศลเป็นกุศลมันก็ทําไปแทนที่จะได้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมาตรผลนิพพานมันไม่ได้แล้วแล้วก็มีงานวิจัยนะงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าถ้าสวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิจะทําให้จิตสงบได้เร็ว แล้วนั่งสมาธิแล้วจิตจะสงบต่อเนื่องไปพรเขาทดลองเอาคนมาสวดมนต์สามสิบคนแล้วก็นั่งสมาธิเลยสามสิบคนคือคณะหนึ่งนี้สวดมนต์ก่อนแล้วก็นั่งสมาธิคณะหนึ่งนี้นั่งสมาธิเลยปรากฏว่าคนคณะที่สวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิได้ผลดี แล้วเขาทดสอบสวดมนต์สามสิบนาทีแล้วก็นั่งสม า, าธิอีกสามสิบนาทีปรากฏ่ว่าจิตสงบดีพวกนี้นั่งสมาธิเลยเอาจิตไม่อยู่เลยไม่ค่อยได้ผลอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเราเห็นในนิตนั่นบะเออผมก็ทำให้เราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ต่อไปก็สวดมนต์ตอนกลางคืนกัสักสามสิบนาที โบสถ์ที่มันเข้าใจความหมายก็ดีบทที่เกี่ยวเกี่ยวกับรรมฐานเนี่ยปล่อยให้วางไม่ยึดติดของสวดได้แล้วมันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันสามารถอุปนิสยโกขึ้นมาได้หรือว่ามันอยู่ในโสมนสิกการได้เอาธรรมะมาใช้ได้เวลาจิตของเรามันเป็นสมาธิเนี่ยไอ้บทสวดมนอะไรเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาเป็นธรรมะ เราต้องให้ตื่นตัวเรามีศาสดาศาสดาของเราจริงจังมุ่งมั่นบากบัน่นมีความเพียรของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คาว่ามุ่งมั่นบากบั่นจริงจังไม่มีคำว่าท้อแท้อ่อนแอวิริยะเนี่ยมันแปลว่าก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่ถอยหลังแล้วก็แปลว่า จิตต้องก้าหาันก้าหาันมั่นคงไม่วันไหวกับอะไรถ้าจิตใครมันมั น, ม, นมันเข้มแข็งมันมีกำลังมันจะเห็นมองขันหาได้เห็นขันหาได้หรือว่าสติปัฏฐานสี่เจริญได้แต่ถ้าจิตไม่เข้มแข็งมันไม่ได้อารมณ์อื่นครอบงำจิตหมดเลยมันครอบจิตไมเล ย, เลยถ้าหากว่า สมาธิเนี่ยมันลึกเข้าไปมันดิ่งเข้าไปสมาธิมันจะครอบงำจิตถ้าใหม่ๆนะจิตยังไม่มีกำลังมันจะครอบงำจิตจิตก็จะนิ่งแช่อยู่ทำอะไรไม่ได้ประเภทนี้เป็นสมถาะามันไม่เกิดปัญญาแช่อยู่กี่เดือนกี่ปีก็เข้าไปแช่ไม่สามารถใช้สมาธิ เอามาดูขันหาดาหรือเอามาพิจารณาขันหาดาเพราะสมาธิมันมากครอบ ง, งาจิตสติอ่อนสัมปชัญญะอ่อนเอาให้ตั้งใจปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเงี้ยเราก็จะอยู่เอาให้มันตื่นให้ได้ให้มันรู้ตัวตลอดถ้ามันเอาไม่อยู่ลุกไปเดินอย่าให้มันหลับหลับนี่มันไม่ได้อะไร อย่าน้อยก็มีสติไว้เตรียมตัวนะเตรียมตัวเนี่ยเราจะหยุดแล้วก่อนจะหยุดเนี่ยลองตรวจตาดูสิมีอะไรเป็นตัวเราบ้างมีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยคือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราอะ มีอยู่แต่มีแค่รูปกับนามเฉยๆความเป็นเราเนี่ยดับหมดเลยที่เราจะทําได้ไหมทําอย่างนั้นอะ่ะใครดูเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆนั่งทิ้งคือนั่งเหมือนกับเป็นของทิ้งไปเลยอะ่ะของตายไปเลยอะ่ะมันทุกข์เกมือนก้อนทุกไปเลยอะ่ะไม่จิตเราเป็นหลงว่าเป็นเราอะ่ะ ไม่ให้มันยึดเลยว่าเป็นตัวเราเหมือนก็มองดูมองดูเอามันมามองดูจิตเนี่ยเอาความรู้สึกนะ่ไปสัมผัสดูก็ได้เหมือนเอาตาในหรือตาของใจเนี่ยไปมองดูมองดูแล้วอาจจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราก็ใช้ได้หรืออาจจะเห็นเลยอะ่ะเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่ง ขออย่างเดียวให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเหมือนมันอยู่ของมันนะร่างกายเป็นร่างกายอ่ะจิตเนี่ยมันเป็นแค่ผู้รู้เฉยๆอ่ะอย่าให้เป็นหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่มันต้องให้จิตรู้ด้วยเห็นด้วยถ้าลำพังฟังเฉยๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่พอเพราะไอ้จิตเนี่ยมันหลง แค่เข้าใจเฉยๆเนี่ยฟังปัญญาของคนอื่นใส่เข้าไปฟ้อนเข้าไปมันไม่พอมันต้องมีปัญญาของตัวเองด้วยคือเห็นเห็นในความรู้สึกนี่แหละเหมือนกับแยกออกเลยจิตเป็นอันหนึ่งเลยกายเป็นอันหนึ่งเลยหรือมันดูอะไรก็ตาม ดูลมก็ตามลมก็เป็นลมไปเป็นธาตุลมไปผู้ ด, ดูก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่แตอันเดียวกันเวทนามาเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายในเมื่อถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราแต่เวทนาเนี่ยมันแตกต่างจากการดูร่างกายเฉยๆเพราะมันเจ็บด้วยมันจึงเป็นเวทนาคำว่าเวทนาคือรู้สึก รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเจ็บรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉยเฉยนี่มันเป็นความรู้สึกก็มองดูไอความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่เรารู้สึกมันเป็นความรู้สึกของมันอย่างร่างกายเจ็บอย่างนี้เพราะร่างกายมันนั่งนานน่ะธาตุดินน้ำลมไฟมันทับลงไปจากส่วนบนลงไปข้างล่าง ในเมื่อธาตุน้ำธาตุดินหรือว่าธาตุลมมันวิ่งไม่สะดวกอ่ะมันขัดข้องขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เลยสร้างเวทนาขึ้นมาธรรมชาติของมันไม่ใช่เราไปสร้างนะไม่ใช่เราไปสร้างแบบเวทนาจงเกิดจงเกิดมันไม่ใช่นะแล้วเราจะไปอุปโลกเป็นหลงยึดมาเป็นเวทนาของเราอ่ะมันไม่ใช่นั่นแหะคือความโง่โง่หลงเนี่ยคืออย่างนี้ ไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันไม่เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันไม่เห็นว่ามันเพิ่งเกิดแล้วก็ดับของมันเราลุกไปมันก็หายแล้วหรือเราขยับนิดเดียวก็หายแล้วแล้วจะเป็นหลงยึดเวทนาเป็นเราอยู่ได้ยังไงอะ่ะแล้วมันเจ็บละ่ะเอาก็คือเวทนามันก็เจ็บสิเพราะว่าเวทนามันคือเวทนามันจึงเจ็บเราก็อย่ายไปยึดว่าเราเจ็บ เวทนาเจ็บมันคือเวทนาถ้าอย่างนี้มันก็วางได้เออแต่ก่อนว่าเราเจ็บเราแย่เราสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเวทนา อ, อ้าวเวทนานี่นะนี่นี่มันไม่ใช่เราแล้วนะที่มันเป็นเวทนาไปแล้วดูจิตก็เหมือนกันเนี่ยมันเป็นจิตมไม่ใช่เราบางทีเวทนานี่นะเวลาเราบางครั้งมันสู้ได้ เห็นเวทนาแมันแยกออกเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตทีนี้เวทนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะเรานั่งนานเพว่านั่งนานนะโอ้โหเวทนามันเพิ่มปริมาณของมันได้นะเพิ่มขนาดของมันมันแรงขึ้นทีนี้จิตที่เคยปล่อยวางได้มันหลงเนี่ยไอตัวจิตมันหลงเห็นชัดเจนเลยนะมันวิ่งตึ๊ดไปเลยนะวิ่งตึ๊ดไปนี่ก็ดิ้นหลนสิทีนี้กระซับกระสายในจิตน่ะ ไม่ไหวแล้วเริ่มยุกยิกขึ้นในจิตเนี่ยนี่เราต้องตามให้ทานในตัวจิตเนี่ยนี่แหละความหลงมันอยู่ในจิตเนี่ยเห็นอาการของมันโผล่ขึ้นมาแล้วถ้ามันเล็กเล็กน้อยน้อยมันสู้ได้เวทนามัใช่ของเราแต่พอเวทนามันแรงขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นจิตไปยึดที่นี่กระสับกระส่ายทันทีเลยจิตเนี่ยอยากเลิกอยากหนีอยากให้มันหาย รกระซักรสายมือไม้สเปสะปะตัวนี่ก็แทนที่จะนั่งตรงๆนะบิดไปบิดมาก็ได้เอาเรื่านี้เคยคุมไว้นะเอา้าเราจะไม่ขยับเพื่อนหนีเวทนาเด็ดขาดเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงนั่งไปนั่งไปพอทายทายนะเอ๊สังเกตดูทำไมจิตมันก็นิ่งอยู่นะจิตดูเฉยเฉยอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราแต่ทำไมร่างกายมันทาท่าจะบิดจะหนีจะอะไรของมันเอ๊ะ มันก็บิดไปบิดมาอะไรพอออกมาแล้วมาพิจารณาดูเอา้ามันต่อไปเราจะให้มันบิดจะดูที่มันเป็นยังไงเอ่เพิ่มเพิ่มให้ละเอียดเข้าไปคอยจับตาดูมันทีนี้พอเริ่มนานขึ้นนานขึ้นทำถ้าจะบิดไม่ได้คุมกายอีกโอ้โหถึงว่าเห็นว่าจิตนี้มันละเอียดมากเลยนะอุปทานเนี่ยมันไปสั่งสั่งให้บิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรารู้ไม่ทันเลย จนคุมไว้อะไม่ยอมไม่ให้ทําไม่ทํำถึงเห็นอาการของจิตมันเจ็บมันก็เลยอยากขยับอยากหนีแต่ว่าวิธีการของมันแยบยนต์มันไม่หนีตรงๆหรอกมันทําท่าให้ร่างกายนี่บิดไปบิดมานิดหน่อยมันหากินหากินข้างในของมันนะที่แท้ไอตัวจิตนี่เองดูซิอุปทานในจิตเนี่ยมันละเอียดอ่อนนะจับมันได้นานเห็นไหม ต่อไปไม่ได้อีกแล้วคุมเข้มเลยทีบางทีปล่อยวางเวทนาได้ระดับหนึ่งทีนี้มันไปใหม่ไอจิตเนี่ยตื๊ดไปโอ้ทีนี้มันทรมานขึ้นมาละมันโดนเวทนาบีบไอตัวจิตมันเพราะมันไปเสวยไปเสวยคือไปกินเอามาที่จริงเวทนามอยู่ที่ร่างกายแต่ว่าไอจิตนี่มันไปเสวยมันไปเอามามันไปกินมามันไปเสวยมามันก็เลยทุกข์ทีนี้ไอจิตเนี่ย ทีนี้แทนที่จะไปช่วยไปอะไรนะมันไปถึงจุดของมันแล้วเนี่ยเจ็บเจ็บไปเลยจิตไม่ใช่เราเอาแล้วนะกําลังมันถึงก็วางจิตอีกทีหนึ่งนะอยากเจ็บเจ็บไปเลยเพราะว่าไปยึดเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราข้านี้จิตมันจะปล่อยเองเลยนะทีนี้ตึ๊ดเลยเอข้านี้ไม่กลัวแล้วเวทนามาขนาดไห น, นปล่อยเลยจิตอยากยึดยึดไปเลยเฉยเลยทีนี้ดูสิปัญญามันมีหลายขั้นหลายระดับนะ จนวางเฉยกับเวทนาได้เจ็บขนาดไหนก็ดูเฉยเจ็บอยู่ไม่ใช่ไม่เจ็บในร่างกายแต่ว่าจิตไม่มีผลอะไรต่อจิตแล้วจิตเฉยเลยทนได้แต่เจ็บมีเจ็บแต่ไม่รุนแรงไม่สามารถบีบคั้นจิตใจได้นี่คือเหนือเวทนาจากนั้นกับจิตก็ยังมีอาการคิดนึกอะไรต่ออะไรรู้ทันทีว่เวทนาหมดความจําเป็นไหน ไม่จําเป็นต้องนั่งให้เจ็บให้ปวดอีกต่อไปเอาจนแน่ใจเลยนะไม่ได้สะทกสถานกับเวทนาคือเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่ามันชัดเจนนะเวทนาเนี่ยมันเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันก็เห็นจริงๆอะ่ะปล่อยได้จริงวางได้จริงไม่ใช่ของเราจริงไม่ต้องคิดอะ่ะแล้วก็สมาธิก็แน่นหนักแน่นชัดเจนแจ่มแจ้งแต่อย่างอื่นก็ได้ แต่สําหรับเราประสบการณ์เนี่เห็นเห็นเวทนาแล้วมันถึงใจเวลาพูดก็พูดอย่างอาจหาันเพราะมันผ่านมามันได้ต่อสู้มาพอหมดความจําเป็นก็ไม่ต้องแต่กว่าที่จะหยุดเนี่ยเราตั้งหลักเอาไว้ว่าถ้ามันยังยึดเวทนาอยู่ตราบใดแสดงว่าตรงยึดร่างกายเพราะเวทนาอยู่ที่ร่างกายพอวางเวทนาได้สนิทมันก็ปล่อยกายได้แล้ว ปล่อยกายได้ก็รูปเสียงกิน่นรสสัมผัสขาดเอาไว้หมดเลยคราวนี้นี่แหละมันจึงเข้าหาจิตชนิดที่เร็วกว่าตามจี้เลยยิ่งลึกยิ่งเข้าไปเลยจาะเข้าไปเลยมันขยับอะไรขยื่นยังไงเห็นอาการของมันหมดนี่มันเริ่มเห็นดูจิตว่มไม่ใช่เราแล้วนี่มันจะเริ่มวางจิตแล้วถ้ธรรมดากระทบอารมณ์ก็ตามสอนจิตไปเพราะมันไม่เอาอย่างอื่นแล้วนี่มันเหือแต่จิตแล้วนี่ ไอสัญญานี่กกสําสำคัญไอสัญญามันมันไปเห็นอะไรมันไปได้ยินอะไรมันไปจดจำเอาไว้จดจำแล้วก็มีเราอยู่ในนั้นด้วยมีเราแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มันมีความอยากอยู่ในนั้นด้วยนี่เหละนี่แหละมีอุปทานอยู่ในนั้นด้วยนะไม่ใช่สัญญาธรรมดาไอสัญญาแบบผิดผิดสัญญาแบบซับซ้อ น, นพอสัญญาลากเรื่องมาตึ๊บ ความรู้สึกก็เกิดขึ้นมีเราอยู่ในนั้นสังขารก็ปรุงแต่งมีเราอยู่ในนั้นเนี่ยขันห้ามนี่มันก็เลยมีเราวิชาแทรกอยู่มันไม่มีวิชาวิชาคือความรู้แจ้งรู้แล้วก็เห็นชัดเจนไม่มีเราโอ้ยอย่างนี้เป็นพวกวิชาเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยพระพุทธเจ้าสมบูรณ์โดยวิชาวิชาคือความรู้แจ้งเนี่ยเห็นว่าไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราเนี่ย เจริญนะก็คือข้อปฏิบัติถ้าว่ามันเห็นข้างในเห็นว่าไม่ใช่เรามากขึ้นเท่าใดการวางตัวก็เหมาะสมการเกี่ยวข้องกับอะไรก็ถูกต้องเพราะมันไม่มีตัวตนหรือตัวตนน้อยการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันปัญหาก็น้อยเพราะมันไม่มีตัวตนออกไปรับแต่คนไหนตัวตนมันมากคับแคบมากปัญหาก็เยอะสังคมไหนเนี่ยมีแต่อัตตามีแต่ตัวตน มันจะมีแต่ปัญหามีแต่การทะเลาะเบาะแว้งพราะนั้นทำการทำงานทางโลกเนี่ยมันจึงมีปัญหาเพราะต่างคนต่างมีอัตตามีตัวตนมีตัณหามีอุปาทานหนาแน่นมันหนีปัญหาไม่พ้นหรอกแต่ถ้าใครพยายามมีสติมีสติเออพอประคับประคองไปได้ใครได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า พอที่จะอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแทนความคิดความเห็นของเราก็พอที่จะดับทุกข์ในใจได้บ้างแต่ไม่ท้าวอนยืมมาใช้ชั่วคราวถ้าเจอหนักหนักหน่อยลืมไปเลยปัญญาของพระเจ้าเอาก็เอาไม่อยู่ด้วยเอปัญหาไม่อยู่แก้ปัญหาไม่ตกเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถ้ามันเป็นอิสระแล้วเมื่อไหร่นะมันจะตัดสิน ตลอดเลยว่ามันมีสิ่งนี้แหละที่ประเสริฐที่สุดเลยนะใครเห็นว่าอะไรดีเชิญมันไม่ได้ไปให้ความสาคัญกับอะไรเลยแต่ใครเห็นว่าอย่างอื่นดีกว่าธรรมะดีกว่านิพพานนั่นแหละความหลงแน่ๆเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นแล้วว่าธรรมะนี่ประเสริฐที่สุดก็คือถึงพระนิพพานนั่นแหละประเสริฐที่สุดเพราะนั้นเราเป็นสาวกของพุทธเจ้าก็ต้องพยายามปฏิบัติไป ไม่ได้ชาตินี้ก็าชาติต่อไปเอาอย่างนี้แหละไม่ได้ชาติต่อไปก็าชาติต่อต่อไปขอให้ได้ปฏิบัติขอให้ได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้ามันก็มีหวังแล้วถ้าทางอุตตยาม เ, เป็นทางแี่ ง, งความเจริญนะมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแปลกนะแต่สวนแบบทางของพระพเจ้าก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเอาเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราเจะเลิกแล้วนะ ก็ขอศกรรมได้นะวิธีไหนจะทําทให้จิตเราดีขึ้นเอาล้างมุนทิมเอาไปจากใจเราทําได้เมตตาจิตทําได้หอกายถวายชีวิตพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงทำได้พระเจ้าก็เปรียบเทียบด้วยนะว่าทานเนี่ยพูดถึงเวลามะเวลามะนี่พระพุทธเจ้าเคยเป็นโพธิสัตว์ เป็นพรามชื่อวเวลามะเวลามะนี่หมายว่าแปลว่าผู้ที่ไม่มีขีดจํากัดอะไม่มีเวลาไม่มีการเวลาคือบา ร, รมีมันมากอะรูปรลอกก็หลอที่สุดเนี่ยทําอะไรก็ประสบความสําเร็จที่สุดเรียกบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยโพธิสัตว์พรามชื่อเวลามะหมายว่าชาตินั้นเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีขีดจํากัด เพมีเงินมีทองมีอะไรมากมายมหาศาลเลยนะเขาเป็นคนที่ทําบุญ่ะจัดโล่งถานใครอยากต้องการอะไรมาเอาเลยมีถาดอยู่แปดหมื่นสี่พันถาดถาดทองคำนะเต็มไปด้วยทองคำแปดหมื่นสี่พันถาดแล้วก็มีถาดเงินอีกแปดหมื่นสี่พันถาดเต็มไปได้วยเงินมีสาลิตอีกแปดหมื่นสี่พันถาด มีช้างแปด0มืนสี่พันมีอะไรแปด0มืนสี่พันสี่พันนี่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมัพย์บมันมากอ่ะผลทําโรงทานประกาศตลอดชีวิตเลยให้มาเอาใครต้องการอะไรมาเอาแต่ในยุคสมัยนั้นน่ะไม่มีพระเลียเจ้าเลยไม่มีพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเพราะนั้นทานตลอดชีวิตเป็นมหาทานยิ่งใหญ่มากแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า ทานที่เวลามะธรรมคือพระองค์เองทําในยุคนั้นนะ่ะเทียบกับทําบุญกับพระโสดาบันบุคคลครั้งเดียวก็ไม่ได้ดูสิในความเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยผลของบุญอานิสงค์ของบุญที่คนร่วมทําบุญเนี่ยมันมากขนาดไหนแค่เป็นพระโสดาบันเนี่ยบุญที่ทํากับพระโสดาบันก็มากกว่าเวลามะพรามต่างทําตลอดชีวิตนี่พวกเราจะเปรียบเทียบนะ่ เพื Pow, ่กรทำบุญกับพระโสดาบัน <rene> ร hmm, mm ้อยครั้งสู้ทำบุญสกทาคามีหนึ่งครั้งไม่ได้ทำบุญสกามีร้อยครั้งสู้ทำบุญอนาคามีหนึ่งครั้งไม่ได้ทำบุญกับโบราณหนึ่งครั้งไม่ได้ทำบุญกับโบาร้อยครั้งสู้ทาบุญพระปเจ้พุทธเจ้าหนึ่งครั้งไม่ได้ทาบุญหัวพรปเจพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ทาบุญวพุทธเจ้าหนึ่งครั้งไม่ได้ทำบุญหลวพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ทาบุญกับสงที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไม่ได้ทำบุญกับสงที่มีพระเจ้าเป็นประธานสู้ทำวิหาร คือที่อยู่ที่อาศัยที่พระพุทธปฏิบัติธรรมไม่ได้นี่ทานนี่สูงที่สุดคือวิหารทานทําวิหารทานบุญมากขนาดไหนก็ตามสู้คนที่สมาทานมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคือที่เรามอกกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าทานทั้งหมดทานมากขนาดไหนก็ตามสู้ เราประ ก, กาศมอกายถวายชีวิตต่ อ, อพระเทวพระธรรมส่งนิมิตะนี่เขาเรียกว่าถึงไตสรนาคมเรียวาประ ก, กาศตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าบรรดุพระโสดาบันนี่หมายว่าห่วงบุญแล้วคนนั้นนะ่ะเป็นบุญอยู่ตลอดแล้วพูดถึงบุญนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วพระโสดาบันบุคคลเนี่ยแต่อันนี้พูดมหมายถึงว่าพุทุชนประ ก, กาศถึงไตสรณคมขนาดไหนก็สู้สมาทานรักษา สิกขบทห้ข้อไม่ไรคือลักษาะศีหน้าเราพูดกันจนเป็นศีหนาไปแต่จริงๆมันยังไม่เป็นศีนเป็นข้อปฏิบัติเป็นสิกขาบทเรียว่าข้อปฏิบัติมีลำดับของบุญสูงขึ้นไปอีกจเจริญสติจ น, จนจิตเป็นสมาธินี่นเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าศีนล่ะคือเริ่มจเจริญสติจิตเริ่มเป็นสมาธินี่บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นล่ะสูงขึ้นไปอีกเห็นอนิจจสัญญา หมายว่าเห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงหีืเห็นพระไตรลักนี่สูงขึ้นไปละมารู้มาผลนิพพานบริบูรณ์สมบูรณ์เลยแต่ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างว่าเออได้ทําอะไรเป็นประโยชน์ต่อโลกยิ่งถ้าใครได้ช่วยพระาศาสนาเนี่ยสุดยอดเลยนะหมายถึงว่าจิตหลุดพ้นด้วยมารู้ธรรมด้วยพระหรหันที่ช่วยพระาศาสนากับไม่ได้ช่วยพระาศาสนานี่มันก็ยังแตกต่างกันไปธรรมดาวันนี้ก็มีคนตั้งคำถาม ก็าบอว่ามีอาจารย์ค์หนึ่งบอกเขาว่าเมื่อครบ 5,000 ันปีแล้วจะมีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ศาสนาก็หมดตอนนั้นไปอินเดียมันก็มีคณะที่ไปเนี่ยเขาอธิษฐานจิตขอให้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าตอนที่ครบห้าพันปีเขาอธิษฐานกันแต่ว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดถึงว่ามีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมพูดแค่ว่า เมื่อครบห้าพันปีแล้วพระบร ม, มาสารีริกธาตุไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องไปรวมกันที่ต้นสีมหาโพนั้นแล้วก็จะเกิดไฟลุกขึ้นมาเองเลยไม่ว่าเล็กขนาดไหนก็มีไฟลุกแล้วก็ไหม้พระบร ม, มาสารีริกธาตุนั้นพระบร ม, มาสารีริกธาตุไหม้หมดตึกศาสนาก็เป็นอนว่าหมดเทวดาเขาก็จะ ประกาศกันพูดกันด้วยความเศร้าโศกเสียใจว่าศาสนานี่หมดไปจากโลกแล้วแต่ในเทวดาเขายังอยู่ไม่ได้สูญไปแต่ในโลกมนุษย์นี่หมดเลยไม่มีศีลไม่มีธรรมอีกต่อไปละอันนี้เห็นในพระไตรปิฎกเราก็ตามดูเพราะว่าได้ยินในฟังแต่ก็ได้ยินอยู่บางทีก็มีหนังสือพูดถึงอยู่แต่ไม่รู้มาจากไหนเพราะาเราไม่ได้เห็นมาเป็นคาพูดของพระพุทธเจา้า ว่าพระบรมาสาลีริกธาตนี่แหละจะรวมกันแล้วปรากฏเป็นร่างของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไหนถูกแต่เราก็เชื่อตามคำพูดของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอันอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนก็เลยไม่กล้ายืนยันก็บอกเข้าไปตรงไปตรงมาเราเห็นหลักฐานแค่นี้เห็นว่าพระบรมาสาลีลิกธาตอยู่มุมใดของโลกตาม อยู่ในเทวโลกก็ตามจะต้องไปรวมกันที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็เกิดไฟลุกขึ้นเล็กขนาดไหนก็ลุกขึ้นพระบรมสารีริกธาตุก็หมดหมดปั๊บแสดงว่ า, าศาสนาในยุคของเหล่านี้ของพระโคตมะนี้หมดไปจากโลกมันก็เป็นความรู้ประกอบและก็คำถามบ่อยเมยื่อนี้เราไปสังเวชนียสถานแล้วในวัดไต่บิดกบอกว่า ต้องได้ไปสวรรค์นี่คือคถามมาจริงไหมบอกจริงผู้เจ้าก็ตัดจริงคนที่ไปสังเวชนียสถานไปแล้วมันจะเกิดความปีติขึ้นมามันเหมือนไปอย่างสถานที่ที่สำคัญของพระพุทธเจ้าที่ประสูติตสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพานมันมีพลังมันมีอนุภาพมากเพราะนั้นเมื่อมันมีปีติอ่ะมันเกิดความรู้สึก ในใจดีๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยอันนี้มันจะปรากฏขึ้นเนี่ยสิ่งดีๆปรากฏขึ้นมันก็ไปสวรรค์แล้แล้วถ้าพวกแขกอะ่ะพวกแขกมันอยู่แถวๆนั้นนะมันเห็นพระไทยไปเนี่ยคนเคารพนับถือมันก็เที่ยวขอเงินคนที่ไปะนะ่ะถือบาทบ้างอะไรบ้างเห็นคนเดินมามันก็สวดมนต์มืม่มมืม่อมง ม, งมันเนี่ยอาจารย์สมบูรณะเคยบวชอยู่ที่พุทธคยา โอ้เห็นแขกพวกนี้มันเห็นมันวิ่งเด่นกันไปมาพอถึงเวลาก็หหมผ้าก็กลผมนะต่อเดี๋ยวนี้ก็ได้เขาพูดไทยได้ด้วยเราไปสองครั้งหลังนี้โอ้มันทักแบบสนิทเลยนะอาจารย์อาจารย์า จ, ารยจำผมได้ไหมมันว่ะเหมือนคนไทยเป๊ะเลยโอ้สงสัยมันจะมาฝึกที่ประเทศไทยหรือเปล่าผมดูชัดเจนพูดยังสนิทสนมด้ยตามด้วยนะเส็จแล้วก็อาจารย์อยากได้ผ้าไหมมันวา มันมีร้านขายผ้านู่นผ้ามาจากแคชเมียนุ่นโอ้ยเดี๋ยวนี้เราไม่เอาแล้วผ้าของมันเนี่ยมันผสมนปนเปืหมที่ได้ก็ดีอยู่นะพอนานๆก็มันยู่ยี่อะไรไปหมดหดหดโน้ตไปเที่ยวหลังไม่ให้เขาซื้อให้โยมก็อยากซื้อถวายด้วยนะตัวเอาซื้อมาฝากโยมตอนหลังโยมก็มีเยอะทีนี้ไม่เอาแล้วเลิกิจะเอาอะไรไม่มีอะไรจะเอามันเยอะแล้วแล้วก็เนี่ยพระที่มาก็เหมือนกัน มาจากพุทธกยาพุทธกยาในส่วนใหญ่เป็นพวกที่ยากจนนะเป็นพวกจันทานจันทา น, นี้พอมาบวชปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนฐานะของเขาขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อสายกษัตริย์เป็นกษัตริย์นี่สูงที่สุดเลยนะพอคนที่มาบวชในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ยอมรับขึ้นมาเพราะนั้นพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นจันทานแต่ว่ามันก็มีวันณนะหล่านั้นถ้าบวชมาแล้วมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์มันก็ดีนะแต่ถ้าบวดมาแล้วก็หวังที่จะยกฐานะของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกั น, นที่มาองค์หนึ่งก็เรียนมนุษยศาสตร์เรานี่ยอยาจะเรียนพุทธศาสตร์หรือเรียนวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็ปฏิบัติประมาณสิบกว่าวันเรื่อยงเนี่ยผมปฏิบัติมาแล้วนานแค่ไหนวะ ตลอเวลาไหมบอกสิบสี่วันเนี่นยแหละคือการปฏิบัตินอกนั้นก็เรียนไปถึงพระเรียนก็ตามเถอะมันก็เรียนเป็นแบบเป็นศาสตร์ทางโลกมนุษยศาสตร์มันศาสตร์ของโลกอยู่แล้วก็คือเหมือนกับพระของเราซึ่งไม่มีเงินแล้วก็ อ, อไปบวชแล้วก็ไปเรียนมาดูมันจะมีเป็นทางออกกันหนึ่ง ม, มีโอกาสบวชแล้วแหมมันน่าจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามันน่าเสียดายนะมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ละ มันก็เลยว่าอยู่ที่ว่าใครตั้งใจปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติมันก็ต้องเกิดขึ้นนะปฏิบัติถ้ามันถูกทางตรงทางก็จะเลินขึ้นเรื่อยเรื่อเมื่อมันถูกทางตรงทางมันต้องเป็นทางออกจากทุกอย่างเดียวเพรา ะ, ะนั้นปัญหาต้องลดลงด้วยคนปฏิบัติธรรมความเข้าใจชีวิตมันมากขึ้นการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันต้องถูกต้องเป็นธรรมความเป็นอยู่นี่ถูกต้องเป็นธรรม ถ้ามันไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมแสดงว่ามันผิดละเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้มนมาละเพราบางคณะนี่เนี่ยมันยิ่งปฏิบัตินี่อัตตามันยิ่งสูงนะมานะสูงมากไปไม่ได้ไม่รู้ใครมาวันนั้นมันเล่าบอกว่าไปวัดปฏิบัติไปปฏิบัติอยู่วัดหนึ่งเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เขาอ่ะคือกาลังตั้งใจปฏิบัติดินหลนหาที่ปฏิบัติก็เข้าไปยังวัดปฏิบัติ เข้าไปแล้วมันผิดหวังะเหมือนกับเขาพูดด้วยความผิดหวังนะเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เราก็ไม่ซักถามอ่ะเกิดแล้วแต่บุญของใครเข้าไปแล้วมันของจริงหรือของปลอมเพราะกรรมฐานเดี๋ยวนี้มันหากินง่ายนะเพราะประกาศว่าเป็นกรรมฐานประกาศว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมนี่รู้สึกว่าเออมันเดือกร้องศรัทธาได้ดีอ่ะพรศรัทธามีเอกลาบเข้าไปมันก็ไปติดเสียหน่ยเพราะมันไม่มีธรรมจริงอ่ะเฮ้ยถ้ามีธรรมะจริงๆมันไม่ติดทีนี้ มันเอามาทำประโยชน์ได้เขาเอ า, า, าหัวศิกรรมเองนะโมกไค่ถวายชีวิตตองขุณจเจ้าพระดำงและกทีิบุญด้วยให้ทำเองเอแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้นะโยมกรุงเทพฟังทำแบบเข้มข้นนี่รู้สึกตกใจไหมไม่ตกใจอีก อ, อ, อ, อชอบอีกอ สแสดงว่าลูกศิษย์เรานี่ซาดิตต้องกระแทกแรงๆไว้มันยังไม่ถึงใจมีเพิ่นคนหนึ่งนะ <p> เพิ่นถ้าวันไหนทำมาเราออกแรงๆเนี่ยโอ้ยถึงใจเขาอะเราก็เลยบอกว่าโอ้ลูกศิษย์ของเรามีแต่คนซาดิตมักงนี่วา